สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรียบิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปซูตอนที่สองร้อยห้าสิบสองคำอธิษฐานของเปซูตอนที่ยี่สิบเจ็ดคำองวอนที่สามก็คือขอให้พระไท่ของพระองค์สำเร็จขอให้น้ำพระไท่ของพระองค์สำเร็จน้องครับพูดถึงเรื่องของการกู้น้ําพระไท่ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันหลายครั้งครับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคำอธิษฐานที่ว่าขอให้ พระไตรของโปร่งสําเร็จบางคนคิดว่าน้ำมัทไธของมระเจ้านั้นเหมือนกับกล่องรางวัลพิเศษที่เราจะได้รับรางวัลเป็นครั้งเป็นคราวบางคนก็นึกว่าน้ำมัทไของมระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึกนะครับหรือตะเกียงอลาดินเที่ยวไปถูถูถูถูก็เดี๋ยวยั ก, ก็ออกมาแล้วก็จะให้นั่นคือน้ำมัทไธของพระเจ้า บางคนคิดว่าน้ำมัไทยของพระเจ้าคือถุงชันตะครอสที่เต็มไปด้วยขนมและของเล่นตรงจะเสดมาหาเด็กๆที่ดีปีละครั้งเท่านั้นบางคนก็เข้าใจว่าน้ำมัไทยของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินหนึ่งเก้าหนึ่งครับที่ใช้เฉพาะกรณีไฟไหม้ฉุกเฉินพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าแท้ที่จริงแล้วการทาตามน้มัไทยของพระเจ้า และการที่เราอธิษฐานขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งแต่คำถามก็คือว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรครับต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเพืยงครับผมอยากจะบอกว่ามีอยู่อย่างน้อยสี่ท่าทีนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผนการของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เนี่ยมีอยู่สี่ท่าทีครับที่ทาให้แผนการของพระเจ้านั้น สำเร็จในชีวิตของเราท่าที่แรกก็คือเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้โดยโดยที่ว่าเราต้องรู้ว่าขอพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เรารู้นามาไทของพงษ์ขอพระเจ้าให้เรารู้แผนการของพงษ์นะครับสองขอพระเจ้าให้เราเข้าใจครับเข้าใจแผนการของพงษ์เข้าใจนามาไทของพงษ์เข้าใจสิ่งที่พงษ์ปรารถนาทีให้เกิดในชีวิตของเรา ประการที่สามครับเราต้องขอพระองค์ให้ช่วยเราให้ยอมครับยอมจำนวนต่อแผนการของพระองค์การยอมจำนวนนี้สำคัญมากครับก็คือท่าทีแห่งการพร้อมที่จะเชื่อฟังและยอมรับว่าสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สูงสุดประการสุดท้ายครับประการที่สี่ท่าทีนี้คือท่าทีที่ขอช่วยให้พระองค์ ทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จนั่นคือแสดงออกด้วยการเชื่อฟังด้วยการกระทำเีรื่อะครับถ้าทีสี่ประการเนี่ยนะครับจำเป็นมากที่เราจะต้องมีเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์น้ำพระไทยของพระองค์ไม่ใช่ตะเกียงอาดินไม่ใช่โทรศัพท์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหรือไม่ใช่ถุถงซซนต์คลอสหรือแก้วสารพัดนึกหรือกล่องรางวัลพิเศษ แต่น้ำม wow ัทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องยึดเป็นหลักสูงสุดในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะมีชีวิตอยู่ในน้ำมัทัยของพระเจ้าและดำเนินตามน้ำมัทัยของพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้น้ำมัทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จแสดงว่าเรากําลังบอกว่าน้ำมัทัยของพรงษ์นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามน้ำมัทัยของพงษ์ ซึ่งคำนี้เป็นคำกริยาหมายถึงการกระทำครับการกระทำที่เจาะจงเวลาเราต้องเต็มใจครับที่จะยอมรับน้ําัไทยของพระเจ้าเราต้องเต็มใจที่จะยอมทำตามน้ําัไทของพงศ์เดี๋ยวนี้นี่คือวาระหรือคำกริยาที่หมายถึงเจาะจงเวลาท่านพร้อมไหมครับที่จะทาตามน้ำาัไทยของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ เพียแอนนาวนะครับเราพร้อมไหมครับที่จะที่ฐานขอให้เป็ น, ปนรรไปตามพระไถของพระองค์เราพร้อมไหมครับที่จะที่ฐานขอให้ข้าพระองค์พร้อมในการดําเนินตามพระไถ่และแผนการของพระองค์ยังครับเวลาที่เราทิออ่ฐานเรารู้ว่าเมื่อเราทฐานขอให้เป็นไปนตามพระไถ่ของพระองค์เรารู้ครับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนพระไท่ของพระองค์ได้ และเราก็รู้ครับว่าเราไม่สามารถที่จะให้พระองค์่วยพรความตั้งใจของเราแต่ละคนได้ตามใจแต่เรากําลังขอพระเจ้าให้ช่วยช่วยให้เรารู้ครับและทําตามน้ำมันไทยของพระองค์ต่างหากน้ำมันไทยของพระองค์ในชีวิตของเราเรากําลังขอพระเจ้าขอให้พระเจ้าบอกเราให้เรารู้ครับและให้เราทําได้ที่น้องครับก่อนที่เราทั้งหลายจะมาเป็นคริสเตียนก่อนที่เราจะ คอนเฟิร์มหรือประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนนั้นเราเป็นคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ชีวิตของเราเองเรากําลังปกครองตัวเองอีโ e ก้เรากําลังทําให้ตัวเองพอใจใช่ไหมครับปัญหาเรื่องความรอดก็คือคําถามหรือปัญหาว่าใครจะนั่งบน บ, นบัลลังก์ชีวิตของเราต่างหากครับหรือเมื่อเรานั่งบนบัลลังก์ชีวิตบัลลังก์หัวใจของเราเราก็เป็นเจ้าของชีวิตของเราไม่ใช่พระเจ้า แต่เมื่อไรก็ตามที่เราอาธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นเรากําลังมอบบัลลังก์ตรงนี้ให้กับพระเจ้าครับให้กับพระเยซูเพื่อให้พระเยซูประครับที่นั่นเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคริสเตียนเรากําลังให้พระเยซูควบคุมชีวิตของเราเหมือนกับท่านอัครชุดปาโลนะครับท่านกล่าวว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์นั่หมายความว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเรามอบชีวิตของเรา ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านแสดงว่าเรากําลังเชิญพระ อ, องค์เข้ามาประทับอยู่บนระบนบรรลังใจของเราครับเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เป็นการตัดสินใจอย่างจงใจจริงๆังนะครับให้พระเยซูนําชีวิตของเราชีวิตคิดเสียนั้นเป็นการตอบรับครั้งใหญ่ตอนเริ่มตน้นและตอบรับครั้งเล็กๆในชีวิตทุกๆวันฉะนั้น ผมอยากจะกลับไปนะครับว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นครับดำน้ำมไธยของพระองค์เราต้องมีท่าทีสี่อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับลองทบทวนดูนะครับอย่างแรกคือมีท่าทีที่ขอให้รู้แผนการของพระเจ้าท่าทีสองก็คือขอให้เข้าใจแผนการของพระองค์รู้กับเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับรู้เกิดจากความรู้ครับมีคนบอกเราก็รู้เราก็จําได้แต่เข้าใจนี่หมายถึงว่าเรา ครับซึงเรายอมรับครับประการที่สามครับช่วยขอช่วยเราถ้าทีนงันช่วยเราให้ยอมจำนวนการยอมรับธรรมดานะครับเข้าใจก็ยังสู้ยอมจำนวนไม่ได้เพราะการยอมจำนวนนั้นเป็นการยอมปรานาตัวครับประวราณนาตัวก็คือยอมจำนวนนั่นเองคอมมินะครับคอมมิตคอมมิตกับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแผนกันของเจ้า การสุดท้ายครับเราไม่มีกำลังนะครับเราต้องมีท่าทีที่ขอพระเจ้าช่วยเราให้แผนการของพระองค์สำเร็จช่วยเราให้เราเป็นกอลลไกลเป็นเครื่องจักรเป็นเฟืองเล็กๆที่จะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเป็นสิ่งที่สาคัญมากครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระไถยของพระองค์เราอยากจะ ขอให้พระเจ้าช่วยเรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าใช่ไหมครับในพระคัำพีครับชัดเจนครับในพระคมภีร์ทําให้เรารู้แผนการของพระเจ้าและเข้าใจแผนการนั้นดาวิดอธิษฐานอย่างนี้นะครับขอเบิกตาข้าพงศ์เพื่อข้าพรงศ์จะเห็นสิ่งมากสัจจ์จากพระธรรมของพระองค์สิ่งมาศจัจจ์นี้ที่ดาวิดอยากจะรู้ก็คือทระงทรงมีบูพริ้นหรือพิมพ์เขียวอะไรในชีวิตของเขาของพระองค์บ้างเห็นไหมครับพระเจ้าจะทรงมีบูพริ้น หรือพิมพ์เขียวหรือแผนการชุดกับตัวกษัตริย์ดาวิดอย่างไรบ้างนี่ครับคือสิ่งที่ดาวิดไอส์ขานขอให้พระเจ้าทรงเบิกตาให้เห็นครับเมืเอ่อไอส์ขานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อาจจะเป็นอาจจะเป็นคําอธิษฐานของการยอมมอบความตั้งใจของเราต่อนาบพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรใช้คําว่าอาจจะเป็นต้องใช้คําว่า ควรจะเป็นหรือต้องเป็นพี่น้องครับเมื่อเราในฐานะขอให้เป็นมิจฉาพทัยของพระองค์ก็คือต้องเป็นกรรมิฐานของการยอมมอบความตั้งใจของเราตอ่อพระพทัยของพระเจ้าเมื่อเราอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการกำจชีวิตของเราอย่างไรนะครับเราก็อยากจะเข้าใจให้ถ่องแท้ด้วยหมายความว่าเราอาจจะต้องฟังบทเรียนพระกัมภีร์ไปเรียนพระกัมภีร์เรียนละวีศึกษาพระกัมภีร์ ขั้นเรนต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระชนะของพระเจ้าอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยอธิบายดูแลหรืออธิบายขั้นตอนต่างๆในภาคปฏิบัติว่าจะประยุกต์ใช้ความจริงหรือน้ำมันไทยของพระเจ้านั้นในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีเวลาหนึ่งครับหรือหรือวาระหนึ่งที่เราจะต้องมอบชีวิตของเรากับพระเจ้า เราจะต้องยอมครับยอมจำนวนสับมิดกับแผนการของพระเจ้าจากนั้นพระองค์ก็จะเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราครับแล้วเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับคุณและผมไม่ได้อธิษฐานเพื่อเปลี่ยนน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่คุณและคุณและผมกําลังอธิษฐานที่จะโน้มน้าวความตั้งใจของคุณและผมไปหา พระไถ่ของพระองค์ต่างหากผมอยากจะพูดอีกครั้งนะครับเมื่อเวลาอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระไถยของพระองค์เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อเปลี่ยนพระไถ่ของพระเจ้าแต่เราอธิษฐานโน้มน้าวความตั้งใจของเราไปหานพระไท่ของพระองค์ต่างหากอาเมน